<laughs> ไม่ได้แสดงความหวายหวั่นแล้วเสียงไง ม, มีเราก็ให้เป็นชีวิตส่วนตัว่อาอาสัยสิ่งอื่นวัตถุอื่นภายนอกเอาหลงเองก็ต้อง ลู้เองให้มันตรงกันข้ามด้วยจะช่วยตัวเองแก้ไขตัวเองด้วยตนเองแล้วก็เห็นอยู่ทุกทุกโกรธโลภห ล, ลงความไม่ดีอกุศลละธรรมทั้งหลายอันที่เหมือนผิดอันที่เหมือนถูกเราก็เห็นอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราสามารถเปลี่ยนได้ โดเพราะเรื่องทำไม่ ใ, ใช่วัตถุสิ่งของวัตถุสิ่งของต้องมีบุคคลที่หนึ่งที่สองช่วยบางทีเราทำไม่ได้คนอื่นเราจะทำได้ต้องช่วยกันส่วนธรรมะที่เป็นกุศลดอ ก, กุศล แต่ เ, เรื่องส่วนตัวของใครของเราเปลี่ยนเองแก้เองตึกหัดตนเองให้ถึงธรรมไม่เแยองในสถึงที่ไม่แย้งให้ถึงในสิ่งที่ยังไม่ถึงถ้าเรหลงยังไม่ถึงความไม่หลงถ้าเราทุกก็ยังไม่ถึงความไม่ทุกข์ ตัวอ่อนหลงไม่ถึงธรรมไม่เป็นธรรมไม่ถึงธรรมก็ไม่หลงถึงเป็นธรรมเราจึงทํามไม่บรรลุถึงโดยตนเองแม้หนังเลือดกระดูกกระปูพังก็กระทมต้องพยายามเรื่องนี้นั่นจะต้องมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือ จะถึงความแก่ความเก็บความตายโน่นจะต้องคอยเป็นทุกข์เป็นโทษตัวรับลิ่นเรานี่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราจึงฝึกหัดทำให้เป็นทำให้ได้เก่นความรู้จักตัว เดิมต้นที่นี่ก่อนเก้าแรกมีสติมีความรู้จักตัวไปในกายมันก็มีกายอยู่มีความรู้จักตัวไปในจิตใจมันก็มีจิตใจอยู่หัดตัวนี้ไปก่อนตัว ก, กีวิตก็มีกายมีใจกาจยใจก็เป็นรูปเป็นนาม มองถึงความเป็นธรรมชาติแต่เป็นกายเป็นใจมันมันน้อยน้อยไม่ยิ่งใหญ่ทำอะไรไม่ได้แต่เราทำไปมีสติเปในกายมีสติเปในจิตใจใจะเห็นกายเห็นใจเป็นรูปเป็นนา ม, <c oughs> มเป็นดุนเป็นก้อน เมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนางก็ตีรู้จักแยกเหมือนเครื่องยนต์กลไกที่จะชอมที่จะลู้ได้ขนต้องศึกษาเรื่องแยกแยกออกพิสูจน์ดูประกอบได้ลือได้ถอนได้มันจึงใช่ได้ สร้างบ้านสร้างเรือนก็เช่นเดียวกันสร้างขึ้นแล้วก็ต้องลื้อได้ไม่ต้องให้มันเสียหายสิ่ที่ทำให้มันเสียหายแล้วก็มีว่ตัวภายนอกไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวมันเองเช่นปวเข่น้นก <c oughs> ็ผลเดดไม่ ไม่อยู่ในบางอย่างก็ไม่ถูกต้องอยู่ในร่มจะอยู่ได้นานถ้าไม่อยู่ในร่มก็อยู่ได้ไม่นานลูกทำนามทำก็เช่นเดียวกันต ก, กนอื่นมาทำให้เสียหายเช่นลูกนี่มันไม่รู้อะไรดอก ทำดีไม่เป็นทำชั่วไม่เป็นแต่นามนั่นทำให้รูปเสียหายเป็นทุกเป็นโทษถ้าไม่หัดเราก็ไม่เป็นระเบียบเป็นมือห้านิ้ิบนิ้วก็ทำมชั่วก็ได้สำเร็จทำดีก็ได้สำเร็จแต่ถ้าหัด มันก็หัดได้ความชั่วเลือกได้เด็ดขาดความทุกข์เลือกได้เด็ดขาดจุดที่ทําให้ลุกเป็นทุกข์ไม่ทําเด็ดขาดจุดที่ทําให้น้ําเป็นทุกข์ไม่ทําเด็ดขาดถ้าเรามีสตินี่คือต้องฝึกตัวเองต้องชั่วตัวเอง ก็เดินช่วยไม่ได้เราหลงเองก็ต้องรู้เองเราจะได้เห็นเราจะได้พบเห็นถ้าเรามีสติมันจะต่างกันอยู่ถที่มาเกิดคเกิดขึ้นกับกายกับใจกับรูปปังนามถ้ามีสติมีสติเป็นในกายมีสติเป็นในจิตใ จ, จิงที่เกิดขึ้นกับกายเกับใจก็จะเห็นก็จะรู้ ถ้าไม่มีชติมันก็เป็นไปกับทุกอย่างจึงหัดเตรียมพร้อมเอาไว้การเตรียมพร้อมก็คือการมัาทันเหมือนกับเราทำงนานประการเนาแพทย์ศึกษาเรื่องกายวิภาค ก็ต้องไปทำกับเรื่องน่าจริงๆให้เห็นฝึกให้มันเห็นที่เห็นทางมันไปดูเกเจ็ดาเรื่องลูกเขาเอาศพเดออาศพไปฝากให้ลงพยาบาลเขาก็เชิญไปดูนี่จะเป็นอย่างนี้ ที่นอนตายแล้วก็กมาขึ้นเตียงหัก็ผ่าตรงนัานผ่าตรงนี้นตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงหัวรื้อออกบดจังรู้จกเรื่องรายวิภาคเวลาคนเจ็บ ป, ป่วยก็รู้จบ ส่วนใดส่วนใ ด, ดที่ไหนตามได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดนำมาศึกษาเรื่องตัวเรื่องตัวเหล่านี้เรื่องกายเรื่องใจนี้ถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามมันจะรู้จักแยกแต่แยกเป็นมันก็ไม่มี ปัญหาถ้าแยกไม่เป็นก็มีปัญหาเช่นความโกรธเกิดขึ้นกับนามนามจริงๆไม่เป็นอะไรปกติอยู่ความโกรธเปนจรมาไม่ใช่ไม่ใช่นามไม่ใช่จิตใจมันเกิดขึ้นทีหลังเพราะเราไม่ีจอตดิเห็นเราฝึกหัดไปแล้วมันต่างกันอยู่ วันก็อย่างดีวันนี้ทำไมมันโกรธมันเครียดมันวิตกกังวลมันมีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้รู้ได้ศึกษาได้เปลี่ยนมันได้ศึกษามันมีตัติมันเกิดมีที่ที่รือที่ถอนเห็นเป็นธรรมชาติเห็นปัจาัการที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ยิ่งใหญ่ ความโกรกก็เป็นอาการความทุกข์ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับนามความร้อนความหนาวความหิวความเจ็บความป่วยความปวดความเมื่อยเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปล้วก็เห็นว่าเรามีสติเป็นตัวที่วัดเป็นเจนที่วัดอยู่ ถูกมันจะรู้ได้มีสติเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่เราจึงหัดเตรียมพร้อมเวลาเราหัดก็เห็นจริงๆและมีสติไปในกายจนยกมือซ้างจังบะหรือเดือนจงกลม มันก็จะเกิดขึ้นมานอกจากสติแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับกายกับใจกับรูป ก, กับนามเราจะได้รู้แล้วก็รู้จักจกลับมาเห็นบ่อยๆเห็นชิ้นที่เหมือนเกิดขึ้นกับรูป ก, กับนามบ่อยๆกลายมาเป็นความรู้บ่อยๆ่ หลงก็รู้บ่อยบทุกก็รู้บ่อยบกลับมารู้บ่อยบหลายครั้งหลายหนมันก็จะแล้วเป็นสําเร็จเป็นจบเป็นเรื่องที่เหมือนเกิดขึ้นกับลูกคำนามเห็นแล้ก็รู้แจ้งการที่จะเป็นความหลงเป็นหลงกลายเป็นความไม่หลงกลายเป็นความรู้แจ้งกลายเป็นปัญญากลายเป็นฌาณเป็นฌานเป็นมักเป็นผลขึ้นมาได้ ทางเก่ า, าพ้นภาวะเดิมได้อะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจอะไรที่เกิดขึ้นกับรูปความนามนี่มันเป็นปัญญาไปเสียทั้งหมดได้ปัญหาเพราะเห็นปัญหาจึงเกิดปัญญาเหนทุกข์จึงไทุกข์เห็นเหตุจึง เ, เ ห, นเนเหนเ็นผลมัน กาเกิดเป็นมากเป็นผลถึงได้เดี๋ยวนี้เวลานี้ถ้าเราใส่ใจจักหน่อยอาจจะไม่ขี่โลบอาจจะตื่นถ้าเราประมาทก็เฉยได้ประมาทในความหลงทิ้งไว้ประมาทในความโกรธทิ้งไว้ประมาทในความทุกข์ทิ้งไว้ในรูปในนามประมาทในกิเลสตั้นหาทิ้งไว้ ในรูปในนามเป็นธรรมลามกก็ยังงัวงเมาประมาทอยู่ก็ยอมไม่ถึงทําได้ถต่เราไม่ประมาทซะหึกหัดอะไรที่เกิดขึ้นรู้จักตัวไปก่อนเรารู้จักตัวไม่หนีไปไหนมันเพื่อใช่ในการนี้ สหรับเรื่องนี้จริงๆควารู้จักตัวหนึ่งถ้าหัดเป็นแล้วก็ไม่ต้องยกมือชาติจังหวะก็ต้องเดินจงกรมมันเป็เดแล้วมันทำเป็นแล้วมันมีให้ใช้แล้วทําให้มันมีขึ้นมาแล้วมันมีอยู่แล้วมีแล้วไม่หนีไปไหนเกิดอนไรก็จบไปแล้ว อลไรที่เป็นอกนุศลจบไปแล้วอะไรที่เป็นกนุศลทําได้แล้วยี่ทําได้เป็นเช่นายเมื่อเราจนเข้าอิม่มต้องไปถามใครไหมความอิม่มล้วก็รู้เองแต่เราไม่อิม่มเราก็รู้เอง จะไอ้างตนว่าอิ่มแล้วแต่ตัวเองหิวอยู่ก็เป็นของไม่จริงมรรคผลนิพพานแค่เพีเกิดขึ้นกับการฝึกหัดตนเองก็เป็นเช่นนั้นมันแล้วแล้วมันรู้แล้วมันเป็นแล้วแต่การกินข้าวต้องกินทุกวันแต่การอิ่มแห่งธรรมไม่ได้ มันก็ไม่มีเหมือนกับกินข้าวจบไปเลยจบแล้วก็จบไปเลยอันชื่อว่าหลงก็จบไปเลยที่ว่าทุกข์ว่าโกรธจบไปเลยชื่อว่ากิเลสตัณหาจบไปเลยแล้วก็เราใส่เชือผ้าสะาดบริสุทธิ์แล้วจะไปให้มันเปืเพื่อนอยังไงกายใจของเรารูปนามของเราได้บริสุทธิ์แล้วมันก็รู้เอง ตัวของมันเองก็รู้เองมันไม่เหมือนเชื่อผ้าแม้แต่คิดนิดหน่อยก็ตกใจแล้วก็เค็ดลาเป็นมั้วเชิดด้านแล้วก็สอนง่ายมันก็แล้วก็ คนมีสติปัญญาเหมือนคนมีเป็นนักศึกษาที่สอนง่ายพูดแปบเข้าใจเลยเหมือนภาษาลีบุตรฟังทำเพียงสองประโยคได้บรรลุธรรมเลยทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดที่เหตุทุกสิ่งทุกสิ่งก็ดับที่เหตุเท่านี้แล้วก็รวบมองเล็บ ในชีวิตทั้งหมดเลยบางทีถ้าเราไม่หัดสึ่งแล้วสิ่งเกิดเพืก็เกิดอีกสิ่งเกิดขึ้นก็เกิดอีกไม่โดยจากดอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีไปเรื่อยๆเราจึง ต, ต้องฝึกหัดบทเรียนไปก่อนมางครเราเรียนหนังสือหัดเขียนหัดอ่านไปก่อนถ้าเกิดเป็นแล้วก็ไม่ต้องหัด อ่านออกแล้วก็ไม่ต้องไปหลัดอ่านใช้ได้เลยไม่ต้องไปอ่านรู้ไปแล้วปฏิบัติไปเลยเช่นโรดเดินตดทางดยป้ายจราจรเขาบอกเขาทำป้ายขอฉีดวงกลมขาฉีด่านดองเล็บหรือลูกสรนต่างค้ง เดีวซ่าเลี้ยวขวาที่ไปโน่นไปนี่เราก็ปฏิบัติไปเลยไม่ต้องไปหัดอ่านจอดรถอ่นอยู่ไม่คิดอะไรไม่ต้องคิดดูความหมายปฏิบัติไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปนามปฏิบัติไปเลย ไอความหลงก็ไม่หลงไปเลยในความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ไปเลยถ้ามันมีให้ทุกข์ถ้ามีให้หลงไม่มีผิดพลาดตรงนี้ตรงที่มานผิดพลาดมันก็ถูกไปทุกอย่างไม่เหมือนเมื่อก่อนยังไม่รู้ยังไม่ฝึกต้องทำได้เดี๋ยวนี้วันนี้เวลนาทีนี้ไม่ใช่รอ ที่โน่นที่นี่อาจารย์โน้นอาจารย์นี้ใครสอนก็สู้ธรรมชาติสอนเราไม่ได้ดอกธรรมชาติเกิดขึ้นกายกับใจเรานี่สอนเราบอกเราถ้าเราได้ศึกษามันดูแม่เราอยู่กับพพุทธเจ้า ถ้าเราไม่เห็นเรื่องนี้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่จะไม่จะจับนิ้วมือนิ้วเท้าจับชายกีวรของพระพุทธเจ้าอยู่โอ้ชอว่ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่พูดได้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเรานี่ที่เป็นกนุศลที่เป็นอกนุศลเกเิดกับตัวเรานี่ได้เปลี่ยนร้ายเป็นดีซะ คือว่าเห็นธรรมก็คือเห็นพระพุทธเจ้ามันอยู่ในชีวิตเรานี่ต้งต้องต้งหน้าตั้งตาดูไม่ใช่ไปคิดเอาไปสมผดเอาบทสมผดก็คือเอากายเอาใจไปต่อเอาไม่ใช่ตาไม่ใช่หูน่่จะบอกอยู่ วความหลงไม่จริงความรู้จริงกว่าความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธมันจริงไม่ใช่หูได้จริงให้ไปทําดูไปเกิดขึ้นกับเราว่าเป็นอย่างไรทรําดูขณะที่มันหลงให้รู้มันจะเป็นอย่างไรทุกขั้นที่มันหลงในความคิดในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจ มีวาว่าตัวลูกไปเฉลยได้ทั้งหมดฝึกหัดอย่างนี้จะได้มีโอกาสฝวกหัดวันหนึ่งจะได้ผ่านหลายเรื่องหลายเหลาได้บทเรียนมากมายได้ประสบการณ์มากมายถ้ามาได้บทเรียนก็มาํนานาญถ้ามาได้บทเรียนก็มีประสบการณ์ ได้เห็นมันหลงได้เห็นมันทุกขได้เห็นมันสุขได้เห็นมันผิดได้เห็นมันถูกแต่มีสติเนี่ยมันศึกษาของจริงหนะึ่งไม่ใช่ศึกษาเป็นของภายนอกเป็นพหิเป็นอัจพหิธาธรรมภายนอกมันการศึกษาทางโลกศึกษาทางธรร ม, มอัจฉริตาธรรมเป็นธรรมภายใน มักผนี้ผ่านการทำภายในถ้าไชื่อด้จ้างด้วยเงนินด้วยทองขอใครก็ไม่ได้แบ่แงแบนก็ไม่ได้มีรูปมีนามในเพื่อการนี้เอามาสร้างขึ้นมาได้มาแล้วได้รูปมานั่งอยู่ได้นามมารูจัอะไรได้ดูเรื่องลู้เรา ประกอบขึ้นมาเงยพิกขึ้นรู้จักตัวนั่นแ่ะเป็นโสตแล้วเพื่อการนี่โดยตรงมันจะหลงรู้จักตัวมีแล้วควมามรู้จักตัวก็ไม่ไปขอใครไม่ต้องไปถามใครความหลง ก, ก็ไม่ต้องไปถามใครเราลูกไม่ต้องไปขอใคร เรจักปฏิบัติต่อเองทำได้เองก็มีประโยชน์ของตัวเองค็อดื่นไม่ได้ด้วยทำไม่ได้ก็เป็นทุกคนตัวเองก็อดื่นไม่มีโทษด้วยหน้าจะกระตือลรือล่นแต่จึงต้องฝึกตนสอนตนให้เห็นของเทศของเกียง ก็ที่นั่งอยู่นี่มันเคลื่อนไหวอยู่นี่คือรูปที่มันรู้จักจเคลื่อนไหวยกมือไปยกมือมาน่ะเป็นนามน่ะมเคลื่อนพาเคลื่อนพาไหวมีสติรู้จักจกำหนดรูปไปรูปอะไรถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีนามที่ไปกำหนดให้ถูกต้องมันก็ไม่มีอะไรที่จะมีประโยชน์จากรูปเปรมันมีโทษต่อวันด้วย บางทีมันทำลายตัวเองเอามีดมาแทงตัวเองเอาปืนมายิงตัวเองกินยาตายผูกคอตายก็ได้รูปนี่มันไม่รู้อะไรถ้าไม่มีสติสอนมันเราก็มันอันตรายทั้งนั้นมีน้าก็อันตรายมั่นใจก่ไมไล่ค่มดีถ้จาจะมาสอนมันมาดูมันชี้ นั่งอยู่นี่เป็นรูปรูปอะไรที่มันคิดไปคิดมาน่นเป็นน้ำเปิดกาจะเดียวเห็นนม้มเปิดรูปอย่างเดียวเห็นน้มเปิดรูปอย่างเดียวเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับน้ำมารวมลงมาให้เป็นช่องเหมือนช่อง เ้าเทียมที่จะดูรายการอะไรอันนี้ประตูแห่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาให้เราได้ศึกษาก็มีชติไปในกายเนี่ยมีอะไรทำให้เราได้ศึกษา เ, เยอะแะ ถ้ามมีชติเป็นใกายเราม่ได้ศึกษาหรอเป็นไปเลยไม่รู้ไม่เห็นบอกเลยมีสติเป็นใกายเราก็ได้บทเรียนว่าเห็นเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจอกความหลงมาไปแบบนี้เห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์นี่หลักอริสัจจี เป็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธเห็นตัญหาไม่เป็นผู้เป็นตัญหาพูกแตง่งผู้จัดการพูกแตง่งเหมือนไปแบบนี้จุดเดียวาง่ายนิดเดียวทำได้ทุกชีวิตม่แต่ใส่ใจตรงนี้ให้ถูก ตรงที่มันแยกนะให้ถูกสัมผัสให้ถูกสัมผัสความรู้สัมผัสความลงให้ถูกไอ ห, ก ห, หยุดดูสักหน่อยใส่ใจสักหน่อยแต่ไม่แยมพลายสักหน่อยเช่นมันคิดขึ้นมาอย่าให้มันด้านตรงนี้เฉยอยู่ไม่ได้ ้รามีสติมันคิดกันมาแล้วก็ยังคิดไปประมาทไปยังดูโน่นดูนี่ไปทำให้ความคิดลอยนวลไปพอมาคิดกันมาเรามีสดิรูปปับ๊บทันทีอาจจะตื่นทุกข์ก่อตื่นควบคิดขึ้นมาอาจจะทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงตัวนี้ได้เียกว่า จะเอยกันนี่ไม่แบบเราปึกให้ไม่ใช่จะเอยกันเลยเฉยไปเลยอะไรที่มันจะผิดจะถูกตัวตรงนี้หไม่ใส่ใจคิดอะไรก็เป็นความคิดบุงแตงไปกี่เรื่องกี่ราวก็ไม่รู้ยังปล่อยแรงไปอยู่คุ้นคิดในลมที่คุณคิดให่มีสติ จะเดินจังกรมอยู่ทั้งวันนั่งสร้างจะว่าอยู่ทั้งวันก็ไม่มีประโยชน์พู้ดีก้นเวลามาคิดรู้จชกตัวเนี่ยเพียงงาเทียวประเสริฐกว่าพว้เดินอยู่ทั้งวันของน้อยของของมากทำให้น้อยนยเหมือนกับหลังผลน้อยนอยแต่ปราบศัตรูได้เยอะ อาว่าจ้าลูกสักตัวเนี่ยลายที่มันเกิดกับลูกกับน้ำเอาหลักนี้เข้าไปเป็นเขย่าพวงที่เป็นพวงที่นนะจะได้สมัวละพวงเฉยๆพวง กระฐานเบดจะลบก็จึกจะมัเกิดเกิดไากับใจกับรูปลุ่มนามเนึ่ที่ไม่ถูกต้องให้มันเดี๋ยวนี้ใจใจเดี๋ยวนี้ใจใจลงไปรูปนะเราที่เกิดเพิ่งจากม่ใช่ความรู้เปลี่ยนมาเป็นรูปให้กระตือหรือล้ลนตรงนี้เนะ คนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้จะไปไหนก็มันก็อยู่ที่เรานี่เลยอยู่ที่หลงไปอยู่ที่ไหนก็หลงอยู่นี่ไม่หลงไปอยู่ที่ไหนก็ไม่หลงดึงอยู่ที่การกระทํกากรรมมาฐานปฏิทั้งของการกระทำเอาเอมีเสียงไหมเลยนะ อายเสียงนยน่าอายไหมฮะน่าอายไหม น, น่าสงสารไหม <c oughs> บกคลองรายญาติโยมเอ้ยโยมมาใส่ในะทำหลายรูปแบบ พยายามช่วยตัวเองก็ไปสำเร็จบางอย่างวานนี่มันวินมาสองวันแล้วนอนก็วินเวียนมันเป็นอย่างไรบ้างเงยหน้าขึ้นกล้องลงก็วินแล้ววานนี้ไม่ให้เราร่วมกับมันมนะ ไ, ไล่พวกจากสาะพวก้นก็ได้ เลยก็วินเอะม <energy> like ัน <laughs> วิ่นลงกวเห็นมันล่มลงดูทุกทีสู้ปวกไล่ปวกขึ้นเสาขึ้นสู้เสาตัวงงยหน้านานๆไปมาหายเลยไม่วินเลยเดินอย่าไปโถมมันนะให้มันล่มลองดูสิมันจะล่มยังไงเอาตาอยู่นี่ลองดูสิได้ไม่ไปไล่ปวกขึ้นนําเสา ไปทำหลังอยู่ทุกต้นเลยเสาสิบห้าต้นจอสิบห้าต้นเหมืนอนกูงหมูขึ้นไปเต็มหมดทั้งสามเหลี่ยมขนาดปูนมันจะขึ้นไปนะ่ะขึ้นทำหลังอยู่ตรงก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไปก็รูหลังออกหลังออกต้ น, น, นตอนนี้สิบห้าต้นหุ่นเต็มหัวเลยะ ยังไม่ดีเท่าไรปัญญานี่ปวกมันยังมีปัญญามันเจ๋งกว่าเราเลยนะครับนี่ยมันทําไมยังรูอ่ะตั้งท่านที่โศกปนนั่งสามเม็ดเราทั้งบนมันไม้ไผ่ทําไมขึ้นไปจิ้นไม้ไผ่นู่มันทําไมจังรูมันอยู่นี่ทำไมมันรู่วอาหารอยู่โน้นมันมีสมองอย่างไรในป่าในตรงมม่อดปัอยากทําไมไม่กินวันแต่มาโชคตรงนี้ ขึ้นอุโมงไปไปกินไม่ใครก็จะไปนอนอยู่นัน่นชิบ ป, ปีลยสาระละนั่นไม่เคยไปดูมันก็ยังยังดีอยู่จะไปรักษามันนะแล้วก็ว่าจะขอแรงพระนุรงไปไล่ เช็ดให้สะอาดนบังทีจะไปอยู่นั่นแต่อ่อนนวลเสียนตัวเองสักหน่อยเนาะเลิกลากันเไม่ได้พูดอีกแล้วปวดเสียนไปอยู่ที่นุ่นบังทียังคิดใหญ่เลยชวนโยมผู้เท่าผู้แกไปด้วยกันสร้างห้องแถวไว้้องแถวต้งนี้ของ บาศกห้องแถวแตน่นนี้บาชิกาหลังตรงกลางนี่เปลียนสลาอยู่ด้วยกันอันี้เดือดร้อนอะไรดูแลกันมาให้อยู่ห่างกันเหมือนกติหนุ่มๆไปอยู่เป็นห้องแถวคนแฉ่พวกเราเนี่ยไปอยู่ด้วยกัน <c oughs> ที่ทงางบาตวนตรงกลางนี่โน่นเอาชักร้อยไร่เราไปอยู่ด้วยกันเพื่อเท่าพเพื่อแฉไปโน่นอยู่ทรงโ น, น่น ด, ดีดีนะป่าไม่ดีนะเ <laughs> หล่งตาจะไปอยู่ด้วยไปเห็นไปเห็นว่าจงเห็นเนี่ยสหรัฐเนี่ยนินวยอร์กเนี่ยไปอยู่ที่นั่นหลวงตาไปอยู่ที่นั่นนะอายุเจ็ดทปีเขาปวดกระเียนนะพระเนี่ยอันนี้เจ็เจ็ดกลัวเราแปดเจ็ปีเรนะี่ยเปวดกระเสียน เรต้องจะวาวดเ่อใหม่แทนให้ถ้ปฏิบัติหน้าที่แต่าวา ด, ดี่ค้นหามาให้ปัดแสดงทําดูก่อนองปฏิบัติรูปก่อนถ้าปฏิบัติดีแสดงทำดีถูกต้องเขาก็ตั้งเจ้าวาดส่วนเจ้าวาดเก่าให้ไปอยู่ที่โน่นก่อสร้างให้อยู่เจ้าวาดองก่อนน้อก่อนน้อก่อ น, อนมีหลายรูปและก็มีโยมบุปะทาง ยงบุเถาะไม่เป็นผู้หญิงนผู้หญิงนี่เป็รื่องของผู้ชายนะดันดูแลการดูดบุถากคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เช่นไั้บาด น, นี่ผู้หญิงนี่จะทำได้ดีกว่าผู้ชายบางทีวันไหนที่เป็นวันสำคัญก็จะเอาพระผู้เท่าจมบุญถาะ ก, ก็ขับรถพ่ามา ลราโสมปีกมามาเอาดูแลกันจริงๆมหายานเขาทำดีนะเขาไม่ทิ้งกันนะดูแลกันเป็นค้อกลัวไปเลยเช่นว่าเราเนี่ยเป็นครอกลัวดูแลกันจนตายนู่นนะเอาอย่างนั้นไหมทุกคนที่เราไม่อดไม่อยากเยอะแยะไปเลย อ่านั่นนี่ก็มันก็คิดไปแบบคนแก่คิดจะช่วยคนแต่พื้ตไพื้นไปตัวเองก็พอวันนี่แล้วต้องขวรเจเวลาแล้ว